เรื่องสังกิจสัมมเนนพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสังกิจสัมมเนนได้ยินว่ากุลบุตรส0สิบคนในกรุงสาวัตถีฟังธรรมแล้วบวชทวารชีวิตในพระศาสนาของพระสัสดาอุปสมบทได้ห้าพันษาเข้าไปเฝ้าพระสัสดาสดับธุระในพระศาสนาสองระการ คือคันถธทุระหรือปริยธธัตทฤษฎีและวิปัสสนาทุระคือการปฏิบัติด้วยความที่ตนบวชเป็นคนแก่ไม่อุตสาหาในคันถธทุระประสงค์จะบำเพ็ญวิปัสสนาทุระทูลขอพระศัสดาตรัสบอกกรรมฐานเพื่อถึงอรหัตแล้วทูลอำลาไปสู่แดนป่าพระศาสดาทรงตรัสให้นําเอาสามเณรสังกิจจะไปด้วยในที่นั้นภายจากระงับจากคนกินเดน คือลูกศิษย์วัดเมื่อนั้นกิจบรรพชิตจะถึงความบริบูรณ์ประวัติขอ ง, งสังกิจจะสมณเณรเป็นสมณเณรของพระสาวรีบุตรมีอายุเจดปีได้ยินว่าสมณเณรอยู่ในท้องขณะมารดาตายสัปรเริยกเนื้อท้องของนางลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาปลายเหลากระทบที่หางตาทารกทารกไม่ไมไฟเหมือนนอนบนกลีบบัวรูปด่งทองคาบญทาน แท้จริงธรรมดาของสัตว์ผู้มีพบสุดท้ายแม่ถูกเขาซินเนรุทับชื่อว่ายัางไม่บรรลุอรหัตแล้วสิ้นชีวิตไม่มีวันรุ่งขึ้นสัปเหรอเห็นทารกเกิดอัศจรรย์จึงอุ้มเด็กไปสู่บ้านพวกหมอทายนิมิตว่าถ้าอยู่ครองเรือนพวกญาติตลอดเจ็ดชั่วคนไม่ยากจนถ้าจักบวชจะเป็นผู้มีสมณะหร้อยรูปแวดล้อมบริวาร พวกญาติตั้งชื่อว่าสังกิจจ่เพราะเหตุที่หางตาของเขาถูกเกี่ยวด้วยขอเหล็กออกบวชขณะอายุได้เจ็ดขวบบรรลุอรหัตพร้อมปฏิสัมพิธาทั้งหลายขณะปลงผมเสร็จนั่นเองภิกษุทั้งส0สิบรูปอําลาพระสาสดาไปอําลาพระสาวรีบุตรและได้นำเอาสามเณรสังกิจจ่ไปด้วยเดินทางสู่ป่าที่สุดหนึ่งยี่สิบโยชนบรรลุบ้านหนึ่ง มีมนให้จำพรรษาที่นั่นเจริญสมณธรรมแยกกันปฏิบัติไม่คลุกคลีพบกันตอนพิกาจารเวลาเช้าบํารุงพระเทระเวลาเย็นเวลานอกนั้นประกอบกรรมฐานเนื่งเนืองต่อมามีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งมาขออาศัยอยู่ด้วยทำวัดปฏิบัติอยู่เป็นอันดีอย่างภิกษุให้รักใคร่อย่างยิ่งโดยเวลาล่วงไปได้สองเดือน เขาคิดจะไปเยี่ยมทิดาถ้าบอกภิกษุอาจาไม่ให้ไปจึงแอบหนีไปไม่บอกภิกษุเหล่านั้นเขาเดินทางผ่านดงกลางป่าพวกโจรห้า้อยกำลังทำพลีกรรมบนบานเทวดาด้วยเนื้อและเลือดมนุษย์ที่ผ่านดงนี้เขาผ่านมาถูกโจรจับถูกมรณะภัยคุกคามแล้วกลัวตายไม่ได้คิดถึงอุปการะคุณของพวกภิกษุ จึงกล่าวว่าตนเป็นคนกินเดนเป็นคนกาลกินีมีภิกษุที่ออกบวชจากเชื้อสายกษัตริย์ภิกษุสมามเิบ3อรูปถ้าได้มาทำผลีกรรมเทวดาของพวกท่านจากยินดีโจรหลงเชื่อไปจับภิกษุด้วยการตีรักังประชุมภิกษุยอมให้โจรจับแต่ที่สุดสมเณนขออาสาไปกับโจรให้ทำผลีกรรมแทนภิกษุทั้งหมด โจรฆ่าสมณเณรไม่ได้ด้วยอนุภาพฤทธิ์ในฌานแม้จะเงื้อดาบฟันดาบก็งอม้วนดังใบตานโจรเริ่มใสในปฏิหานั้นจึงหมอะกราบแทบเท้าของสมณเณรแล้วกล่าวว่าความหวาดเสียวไม่มีแกท่านความกลัวก็ไม่มีวันณะ่องใส ย, ยิ่งนักเหตุไรท่านจึงไม่คร่งครวนในเพราะภัยใหญ่หลวงเห็นปานนี้เล่าสมณเณรออกจากฌานแสดงธรรมแกคุณหน้าโจร คืนชื่ออัตภาพของพระขีณาสพอรหันย่อมเป็นเหมือนภาระของหนักซึ่งวางไว้บนศีรษะพระขีณาสพนั้นเมื่ออัตภาพนั้นแตกไปย่อมเย็นดีทีเดียวย่อมไม่กลัวเลยและได้กล่าวคาถาว่าท่านในโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใยท่านผู้สแสวงหาคุณสิ้นสังโยตแล้ว ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ตัานหาอันนำไปสู่พกของพระขีณาศพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามความเป็นจริงโดยทองแท้ความตายของท่านหมดภัยดังลงภาระลงฉะนั้นนายโจรและโจรทั้งห้าร้อขอเป็นประชากับสัมมเนนลงผมด้วยดาบรองผ้ากาสายะย้อมด้วยดินแดง เป็นการทำให้ผ้าเสียสีเสียความสวยงามสมเณรให้ตั้งอยู่ในศีลสิบแล้วพาไปเยี่ยมภิกษุส0สบรูปแล้วพาไปสู่สำนักพระศัสดามีข้อสังเกตว่าสมเณรบรรพชาให้โจรทั้งห้ารอบวชเป็นสมเณรได้ข้อนี้น่าจะทำก่อนจะมีพุทธบัญญัติ ต, ตามมาที่หลังในพระวินัยพระศัสดาทรงตรัสว่า ความตั้งอยู่ในศีลแล้วเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทําโจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีตรัสเป็นพระคาถาว่าก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่หนึ่งร้อปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น ประวัติอธิมุตตะสามเณรการต่อมาสามเณรสังกิจจะได้อุปสมบทแล้วมีพรรษาสิบสังกิจจะเทระได้รับหลานของท่านชื่ออธิมุตตะมาบวชสามเณรอธิมุตตะนั้นเมื่อครั้งไปเยี่ยมมารดาบิดาขณะเดินทางไปยังไม่ถึงบ้านถูกโจน500รอคนจะฆ่าให้ตายเพื่อทำพลีกรรม ดุจเดียวกับสังกิจจะสามเณรโดยนายาก่อนได้แสดงธรรมแก่โจรมีจิตเลื่อมใสแล้วปล่อยไปด้วยคำว่าไม่พึงบอกเรื่องโจรอยู่ในที่นี้แก่ใครๆสามเณรให้สัญญาเดินทางต่อไปรักษาสัจจะจะไม่บอกแกมารดาบิดามารดาบิดาถูกพวกโจรเบียดเบียนเข้าใจว่าสามเณรบุตรของตนเป็นพวกเดียวกับโจรโจรได้ยินเสียงบน่นคร่ำครวญดังนั้น จึงมีจิตเรื่อมใสขอบรันรพชาข้อนี้คือพอโจรได้ทราบว่าท่านสมณเณรรักษาสัตว์จะยิ่งนักจึงเกิดความเลื่อมใสอธิมุตติกาสมณเณรยังโจรให้บวชแล้วเหมือนสังกิตจากสมเณรนำมายังสำนักอุปชาส่าสงไปยังสำนักพระศาสดาพระบรมศาสดาทรงตรัสพระคาถาโดยในยักก่อนนั่นแลก็ผู้ใดทูศีล มีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่ร้อยปีอันความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น